ก็อะไรก็ตามแม้แต่คําสอนที่นําออกจากทุกเนี่ยพยายามต้องค่อยๆระวังอ่ะนะค่อยๆมีความระมัดระวังพระองค์จึงเน้นย้ําำว่อเน้นย้ําถึงความไม่ประมาทสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราเนี่ยนะเราตั้งไว้เลยว่าใจของเราเนี่ยจะเจริญด้วยอะไรเจริญด้วยศรัทธาไหมเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหิริโอตปะสุตะจารค้ปัญญาเจริญด้วยอินทรี่ห้าไหมต่อไปใจของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะพยายามกําหนดทิศ ท, ทางของตัวเองให้ ให้ดีๆในท่ามกลางโลกที่บอดจริงๆเนี่ยนะตาเราก็มีแต่ตาเห็นสีมองเห็นถนนหนทางมองเห็นรูปแต่เราเนี่ยบอดจริงๆเลยก็เาเคยเห็นอริยสัจไหมไม่เคยมองเห็นอริยสัจเลยใช่ไหมถ้าไม่มองเห็นอริยสัจเขาเรียกอะไรอะ่ะเ้าเรียกว่าบอดนั่นแหละมีหูก็เหมือนหูหนวกไอ้จมูกลิ้นกายนะไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ให้ภาระอย่างเดียว เนี่ยนะจมูกทวารที่ไร้ประโยชน์จริงๆเลยที่พรหมเขาไม่เอาเลยนะพรหมเขาไม่มีหรอกจมูกลิ้นแล้วก็ร่างกายไม่เคยให้ประโยชน์ใดๆดังเดียวเว้นไว้แต่สร้างแต่ความทุกข์ทรมานให้สร้างแต่ความเดือดร้อนให้คือทวารจมูกทวารลิ้นและร่างกายเว้นไว้แต่คนนั้นกำหนัดในในในกามะนะแต่ถ้าพูดถึงธรรมดาทั่วๆไปไม่สร้างประโยชน์ใดๆให้แม้แต่นิดเดียวเอาความเจ็บปวดสร้างประโยชน์อะไรให้บ้าง เวนไว้แต่คนที่ประกอบอาชีพบนความเจ็บปวดของคนอื่นนะนะอ้าวได้มีรายได้กลับมาไงแต่ถ้าพูดโดยมวลมนุษยชาติมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยจะโหมลิ้นร่างกายไม่มีประโยชน์อะไรเลยทวารตายังพอที่จะเอาไว้ได้เห็นสื่อที่จะให้เห็นอริยสัจทวารหูก็ยังพอได้ฟังสื่อสิ่งที่จะให้รู้อริยสัจเนี่ยนะแล้วทวารใจละ่ะใจของเราเนี่ยพยายามกําหนดสร้างอุปนิสัยแล้วก็สร้าง อัธยาศาย et แล้วก็สร้างกรร ม, มปัจจัยให้ตัวเองต่อไปในอนาคตเน <c oughs> ี่ยนะเชื่อเถอะถ้าเรากําหนดทิศทางแห่งสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดแนวความคิดไม่ได้เนี่ยนะอันตรายมากอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่พระองค์มาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ติดตั้งความคิดเนี่ยนะถ้าพูดแบบภาษาใหม่ก็คือว่ามันก็ติดตั้งโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เพิ่งคิดได้ใช่ไหมว่าพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาทํากิจเหล่านี้พระองค์เพิ่งคิดขึ้นมาใช่ไหม บอกไม่ติดตั้งแนวความคิดที่จะเป็นเป็ น, ปนไปตามแนวของความเป็นพระพุทธเจ้ามาตลอดสี่อสงไขยแสนกับคนที่สร้างแนวของใจตัวเองเพื่อจะให้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาตั้งมานานขนาดไหนแล้วของเราเนี่ยใจของเรามุ่งตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าขนาดไหนมุ่งตรงต่อการกำหนดรู้ทุกระสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งมุ่งตรงที่จะเจริญอริยมรรคแค่ไหนและ อย่างไรแล้วเราศึกษาข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกื้อกูลต่อการรู้เห็นอริ ย, ยสัจสําหรับเราบ้างเนี่ยนะเพราเราก็ต้องพยายามมาณสิการเอาไว้เถอะว่าการรู้เห็นอริยสัจนั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรู้อริยสัจนั่นแหละเรียกว่าพุทธะพุทธะนี่ยนะพุทธะนี่เป็นชื่อของปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจผู้รู้รู้อะไรรู้อริยสัจเตื่นตื่นจากกิเลสเพราะมีปัญญาเห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะรู้อริยสัจเนี่ยนะ เช่นขัดพร้อมที่เห็นอริยสัจละสกายติฐิวิจิกิจชาและศีลพัตะปรามาตอันนี้ต่อไปถ้าไล่สูงขึ้นไปอีกถ้ารู้เห็นอริยสัจก็บรร ล, ลุคุณธรรมชั้นสูงต่อต่อไปมันเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้อริยสัจเราก็ปรารถนาจะเป็นพุทธาสาวกผู้ฟังแล้วรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธาสาวกนี้ต่อไปอีกแม้กระทั่งว่าสุตตะพุทธก็ฟัง อริยสัจพระประเจก็รู้อริยสัจแต่รู้โดยลำพังของท่านเองเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญแล้วก็สั่งสมบุญนั้นพยายามกําหนดทิศ ท, ทางว่าใจของเราจะต้องไหลไปสู่อริยสัจเนี่ยนะอย่างถ้าใครอ่านสังยุตตนิกายมหาวารวรคเช่นสติประธานสังยุตสัมมาประธานสังยุตอิทิบาทสังยุตอินรียสังยุตพะละสังยุตโพชงสังยุตมะขะสังยุต พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคุณธรรมเหล่านี้คือสติปทานสัมมาปทานอิทิบาตินระระทรีภะละโพชงองมร์เนี่ยเหมือนกระแสแม่น้ําสายใหญ่กระแสแม่น้ําสายใหญ่จริงๆในโลกเนี่ยไหลไปไหนไหลไปสู่ทะเลฉันใดสติปทานสัมมาปทา น, มมทานอิทิบาตินระระทรีภพละโพชงและองค์มร์ที่เป็นไปตามคําสอนไหลไปสู่พระนิพพานอย่างเดียว ศรัทธาของเราเนี่ยนะไหลไปสู่พระนิพพานไหมพยายามมาเช็คที่ใจของเราเนี่ยนะบอกไอ้รู้ได้ยังไงว่านี้เป็นไปเพื่อ น, นิพพานหรือไม่เป็นไปเพื่อ น, นิพพานแล้วเราต้องการอะไรจับอัธยาศัยของเราให้ดีกําหนดทิศทางของเราให้ดีว่าเราเนี่ยไหลไปที่ไหนไอการทําให้ดีนั่นแหละเรียกว่าทําโดยสุจริตถ้าทําไม่ดีเรียกว่าทุจริตถ้าทํ า, ถ, ถ, าทถูกเป็นสัมมาถูกต้องถ้าทําผิดมิจฉา มีทั้งสัมมาโลกนี้มีทั้งมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิโลกนี้มีทั้งมิจฉาสังกปะและสัมมาสังกปะโลกนี้มีทั้งมิจฉาวาจาและสัมมาวาจามีทั้งมิจฉามักและสัมมามักมิจฉามักเนี่ยเป็นมิจฉาตตนิยตาธรรมะเป็นความผิดพลาดที่แน่นอนยากที่จะแก้ไขเรียกว่ามิจฉัตานิยตาธรรมะถ้ามักถูกเรียกว่าสัมมตนิยตาธรรมะ อันนี้ถูกต้องแน่นอนไม่มีผิดอีกต่อไปและแก้ไขไม่ได้ความถูกต้องอรยิยมรรคนี่แก้ไขไม่ได้ส่วนที่เหลืออันนียะตาธรรมะไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มั่นคงยั่งยืนและก็แน่นอนเราก็ไหลไปสู่ความแน่นอนได้ไหมอย่างคนที่ฟังธรรมสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเพื่อให้เกิดความแน่นอน ที่เรียกว่ายัางลงสู่เอ่อซึ่งอะไรนะกุศ ล, ลธรรมโดยถูกต้องสัมมักกุศลสัมมตานิยามเขาต้องการแทงตลอดกุศลที่มันแน่นอนจริงๆเลยคืออริยมรรคเขาฟังธรรมสมัยก่อนเขาก็ตั้งใจฟังเพื่อบวชธรรมให้อริยมรรคเพียบพร้อมบริบูรณ์และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปพราะการศึกษาพระธรรมเราต้องพยายามมาค่อยๆกาหนดทิศทางเราทั้งหลายซึ่งตอนนี้เนี่ยนะมันเป็น วิชาเรียนลายแทงเนนะเรียนพระตรายพิดกเนี่ยกถ็ถ้าเปรียบเหมือนกับอะไรนะพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ฝากฝังอะไรนะฝากฝังให้เราเนี่ยเป็นธรรมทายาจก็เลยเขียนพินัยกรรมเขียนมอบซัพย์มรดกไว้ให้ในตามตามพระตรายพิดกเนี่ยแหละคือพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ามาอ่านว่าเราได้อริยทรัพย์ของพระองค์ไปเท่าใดเนี่ยเราเป็นทายาผู้รับมรดกของพระองค์ได้ไหมมีคุณสมบัติที่จะรับอริยทรัพย์ของพระองค์ได้ไหม หรือไม่ก็บอกว่ารุ่นที่เรียกว่าเขียนจดหมายก็ได้เนี่ยนะหรือว่าแบบถ้าเป็นแผนที่ก็เนี่ยเหลือแผนที่ที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกติดตามพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยเหลือเท่านี้จริงๆในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะที่เกิดเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาในท่ามกลางที่สรรเสริญการทําปาณาติบาตหาที่สุดไม่ได้เป็นสมัยที่ไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้สันเสริญการทําปาณาติบาตอย่างอย่างแท้จริงซึ่งมันเข้าไปทุกหย่อมทุกย่าก เข้าไปทุกขนทุกแห่งเลยนะเกี่ยวกับเรื่องปานาธิบาศบอกดูจากอะไรเช่นพวกเกมกดทั้งหลายนี่ก็คือฝึกค่าเล่นเล่นไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยมันก็คือการฝึกค่าค่าค่าค่าในที่สุดเนี่ยนะโลกก็จะเจริญด้วยมหาสงครามเนี่ยนะก็เล่กลโกงทั้งหลายนี่ก็งัดกรรมมาใช้สารพัดชนิดเครื่องมือสื่อให้ไล่ไปสู่กาเมสุเมจ่าจารย์ก็มาสารพัดอยา่างก็แปลว่าเปิดประตูนรกช่วยๆกันเปิดโคน10สิบบาลร้อบาลพันบา น, บา น, บา น, บาน เพื่อให้ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตในโกสมัยใหม่เป็นสมัยที่สันอาคูสนกรรมบดแพร่หลายจริงๆเมื่อก่อนนี่เขามาโมเตนั่งอะไรนะพูดง่ายๆว่าโมเตนั่งหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เพิ่งตอนนี้เข้าใจแล้วว่าใช่และมหาปานาติบาตจริงๆปานาติบาตมีทุกย่อมยา่ามีทุกขนทุกแห่งมหาอธินนาทานมหากาเมสุมิฉาจารมหามุสาวาตมหาสุรามีไรเนี่ยนะนะเป็นสมัยที่มันท่วมทับสมัยที่ ยุยงเขาว่ามุสาว่าก็เต็มที่พูดส่อเสียดก็เต็มที่พูดใจหายาบก็สุดยอดแล้วเนี่ยนะหมดแล้วไม่มีอะไรมากอันนี้เพอ้อเจอกันชนิดว่าสุดๆดอภิชากันอย่างจริงจรงจังๆพยาบาทจองเวรกันชนิดเรียกว่าเป็นเขาว่าสา ส, สืบทอดกันมาเลยแหละเนี่ยนะแล้วก็มิจฉาทิฐิที่ปฏิเสธการฆ่าว่าการฆ่าไม่มีผล การลักโกงไม่มีผลการผิดกาเมย์ไม่มีผลปฏิเสธแม้กระทั่งออผลแห่งกายกรรมเจีกรรมและมโนกรรมทุกอย่างเกิดลอยๆทำเหล่านี้ทําแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนั้นอกุศลกรรมบดเนี่ยแพร่หลายมากเพราะฉะนั้นในยุคอายุต่ํากว่าร้อยปีที่จะไปสู่สุกติโลกสวรรค์กลับโดยที่สุดแม้แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของง่ายบางคนบอกแม้อยากไปเกิดเป็นมนุษย์งงอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะเมื่อกีพูดแล้วนึกถึงได้คําว่า ฝังจิตของตัวเองให้ไปไปฝังตัวในในคันของคนอื่นเนี่ยทํำยังไงอ่ะเนี่ยนะไปฝังปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยนะบางดวงไปไว้ที่คันของผู้ใดผู้หนึ่งที่มดลูกของคนใดคนหนึ่งเนี่ยถามมันทํำยังไงอ่ะที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแล้วมาเกิดแล้วมาเกิดอยู่ในคันไหนเนี่ยนะอันนี้ก็ค่อยๆ ค, คิดเอาไอ้ทีนะว่ามันทําไงกันดีมันปัญหาที่ที่ที่มา ที่เราพวกเรากําลังเป็นอยู่เนี่ยเป็นปัญหาเรียกว่ามหวอ่งใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆพันถ้าใครคิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ก็ตามอัธยาศัยแล้วเนี่ยนะเมื่อกี้ก็นั่งคิดไปเ่า เ, ออเราขอเป็นชนส่วนน้อยถ้ามีมีอะไรนีมีฟาร์มสัตว์เป็น ฟ, รรฟาร์มแล้วเราเป็นคนอยู่คนเดียวก็ขอเป็นคนคนเดียวก็ยอมเนี่ยนะขอให้มันหลุดไปเหรอยังไงก็ให้หลุดจากแค่ว่าถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันบุญหนักบุญหนาแล้วว่างั้นเถอะ แต่ถ้ามาเป็นมนุษย์เอกก็เสี่ยงจริงๆแม้แต่มนุษย์เนี่ยถ้ามาศึกษากันโดยเหตุผลเอาเข้าจริงไม่ใช่ว่าจะเกิดกันง่ายๆจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งเลยนะยคืออันนี้เราไม่พูดตามความเชื่อพูดตามหลักเหตุผลจริงๆแม้แต่มนุษย์ย่างๆเอางี้แล้วเทวดาล่ะ ถ้าไปเทวดาไปอยู่ได้กี่วันเชีวเนาะเนี่นยบุญอะไรมันอยู่ได้กี่วันเนาะเหมือนกับการไปจองโรงแรมดีดีวีอพชั้นหนึ่งที่เรกว่มามหาแพงที่สุดเนี่ยนะมันอยู่ได้กี่วันนะมันจะมีบุญได้อยู่ได้กี่วันอะอสองบอกว่าพรหมโลกโอ๊ยพรหมมิหารทําท่าจะแหมมันเรียกว่าคนไม่มีบ้านอยู่บอกจะไปอยู่พรหมมิหารอยงั้นเน่ยอะไรนะ อะไรก็ดูศรัทธามีแค่ไหนเออขออภยัยเมตตาเรามีแค่ไหนอ่ะสร้างเมตตาขึ้นสําเร็จไหมสร้างการุณาขึ้นสําเร็จไหมสร้างมุติตาและอุเบกขาอยู่ด้วยเมตตาการุณาและอุเบกขาถ้าพรหมิหารเหล่านี้เป็นไปได้อะพรห ม, มโลกก็หวังได้ล่ะนี่ก็มาไล่ดูนะมนุษย์สวรรค์พรหมมนุษย์สวรรค์พรหมถ้าอย่างนี้เจริญไม่ได้เขาบอกอุย้ยเขาไม่เอาหรอกมนุษย์สวรรค์เขาก็ไม่เอาพรหมเขาไม่สนใจเขาหนิพามอย่างเดียว บอกว่าถ้าข้อปฏิบัติเนี่ยนะเขามีตามลาดับอย่างนี้ว่าข้ามอบายเพื่อให้เกิดในสุคติภพมร์แ8เนี่ยเขไล่ามาตามลาดับอย่างนี้ว่าเจริญอธิศีนเนี่ยนะเพื่อข้ามอบายเรามีศีลคือเครื่องมือที่จะให้ข้ามอบายเนี่ยเขาคือศีนศีลเป็นอุปกรณ์เพื่อข้ามอบายสมถะทั้งหลายเพื่ออุปกรณ์ข้ามการมมาพบ ปัญญานี้เป็นอุปกรณ์ข้ามวะตะเนี่ยนะข้ามวะตะทีนี้สีปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่อยู่อะไรนะเหมือนกับคมมีดเนี่ยนะมันถามว่ามันต้องอาศัยใบยมีดไหมที่จะคมจริงต้องอาศัยหินรับมีดไหมบอกจะใช้แต่คมอย่างเดียวเลยนะก็บอกว่ามีเหล็กอยู่อันหนึ่งเนี่ยนะเป็นเหล็กที่เรียกว่านาเป็นกระวนนามากแล้วก็หนาเป็นตันๆเนี่ยนะถามว่ารับยังไงให้มันคมเอ่ะพอที่จะไปตัดอะไรขาด มันหนาเป็นคืบๆเนี่ยมันทื่อๆ อ, อย่างนั้นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบเนี่ยนะจะต้องมารับให้มันคมเพราะปัญญาเนี่ยมันเป็นสิเป็นผลผลิตของศีลและสมาธิมันเป็นผลผลิตมันเป็นผลของศีลสมาธิอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญา สมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาไอ้มัคคปัญญาวิปัสนาปัญญาเนี่ยมันเป็นผลผลิตของศีลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นผลผลิตของสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆพรัน้าเราคุณธรรมระดับล่างๆอ่อนอ่อนเรียกว่าคำว่าอ่อนเนี่ยแปลว่าเละนะมันอ่อนแบบต้องหู้อย่างนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่างนั้นเถอะ ทำอะไรไม่ได้เจริญอะไรก็ไม่ได้เพราะฉันอยากคิดว่าบางคนก็บอกอุย้ยมนุษย์เขาก็ไม่เอาสวรรค์เขาก็ไม่เอาเป็นตน้นนิพพานอย่างเดียวนิพพานคืออะไรบอกไม่รู้เหมือนกันก็ว่านิพพานแล้วมันดีเนี่นยนะมันจะเป็นไปได้อย่างไงนาะเนี่นยนะต้องพยายามค่อยๆปรับความเข้าใจก็คือว่าธรรมะของพระพุทธเจา้าถ้าถ้าคิดให้ดีๆระดับหนึ่งนะเขาบอกโอ้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยมันยากบอกถ้าคุณคิดว่ายากเพื่อจะพูดให้ท้อ ว่าเออเนี่ยที่ไม่ศึกษาก็เพราะมันยากแล้วกลายเป็นความชอบทําไปถ้าอย่างนี้ก็สงสารคุณมากว่าคุณปิดตัวเองสนิทจริ ง, รงๆคำว่างั้นที่เรียกว่าอะไรนะแม้ในรูปในโลกเนี่ย ม, มันมีอะไรที่ละเอียดเยอะทาตาให้บอดซะหมดเรื่องจะได้ไม่ใครจะได้ไม่ตําหนิเราว่าเราเนี่ยผิดเพราะเรามองไม่เห็นเพราะเรามองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็น่าสงสารจริงๆถ้าคนที่คิดว่ายุ่งเยิงอซับซ้อนละเอียดลึกซึ่งแล้วก็บอกไม่ศึกษา แต่เขาบอกว่าคําว่าลึกซึ้งเป็นต้นเนี่ยเขาเป็นคําพูดที่ให้ใส่ใจแล้วก็มนานัศการว่านี่เป็นกิจที่เราควรทําด้วยความไม่ประมาทด้วยความสุขุมรอบคอบจริงๆด้วยความรอบรู้ด้วยการพิจารณาเพราะว่าผิดเนี่ยมันหมมันผิดยาวเหมือนกันนะอย่างที่ว่าถ้าตกไปสู่อาบายแล้วก็ตายเป็นเต่าตาบอดทันทีแล้วค่ะเนี่ยนะคือคือตอนเนี้ยคุมันึกว่าโอ้แสดงว่าบุญเก่ามาดีกันมากเลยนะ พอไม่ได้เป็นมนุษย์ได้แต่แต่ถ้าไปอีกรอบหนึ่งอ่ะถ้าไปสู่อบายแล้วก็ทําใจไว้เถอะเต่าตาบอดเนี่ยนะจะเอาคือในจํานวนมันเนี่ยช่วงเนี้ยเขาฆ่าไก่ไปประมาณประเทศไทยเราฆ่าไก่เฉพาะเหตุผลอั น, อนใหม่เนี่ยนะแปดแสนกว่าตัวประเทศเนี่ยฆ่าทั่วโลกแล้วอาจจะเป็นเกือบล้านไปนแล้วเป็นล้านไปนแล้วเอาถามว่าในไก่ประมาณเป็นล้านตั ว, วกับเป็ดห่านเป็นต้นหลายล้านตัวเนี่ยทํายังไงให้มันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เออ กำลังคิดหนักใจเหมือนกันนะทาไงดียอมให้ไก่พวกนั้นมากลับเป็นมนุษย์ได้อุทิศส่วนกุศลให้มันอนุโมทนามันก็ไม่รู้เรื่องกับเราอีกอะไรอ๋อยังนะคิดไปคิดมาบอกว่าตอนนี้คนกลับมากินสุนัขเองทำยังไงให้พวกสุนัขมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้เนี่ยนะแล้วทํางไงให้พวกมนุษย์ไปเกิดในสวรรคติโลกสวรรค์เนี่ยนะคือเชื่อไหมแต่ปัญหาพวกเพศเนี่ยแค่เราคิดตามง่ายๆอย่างนี้อย่า ง, งา ย, ย่ายาแต่พระพุทธเจ้าท่านทําได้ ช่วยได้ช่วยกบให้มาเกิดเป็นมนุษย์ช่วยนาคช่วยงูให้มาเกิดเป็นมนุษย์ช่วยมาช่วยช้างให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ช่วยพวกมนุษย์ให้บรรลุให้เกิดในสวรรค์แล้ช่วยพวกมนุษย์เนี่ยให้เกิดในพรหมโลกช่วยมนุษย์ให้บรรลุมรรคผลนิพพานช่วยเทวดาให้บรรลุมรรคผลนิพพานพอมาคิดลักษณะนี้เห็นเลยว่าพระองค์นี่เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์จริงๆเนี่ยนะก็เริ่มเห็นพระพุทธคุณบทว่าศาสถาเทวมนุษยานัง เมื่อก่อนเราก็บอกเออพระองค์สอนแต่ว่าความเข้าใจกว้างขวา ง, วางไม่มากสักเท่าไหร่คือถ้าวิเคราะห์จากปัญหาที่เป็นจริงเนี่ยเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีบุญจริงๆเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถถ้าพระองค์ไม่สั่งสมบุญมาขนาดนี้พระองคจะช่วยใครได้บ้างเนาะเนี่ยนะท่านเรากำลังพยายามที่จ ะ, ะปลูกฝังศรัทธาของเราให้มีกับพระองค์ให้มั่นคงที่สุดอย่าลืมว่าเราเข้าใจพระคุณของพระองค์เท่าใดศรัทธาของเราก็ มั่นคงเข้านั้นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในพระพุทธคุณเลยแล้วเราบอกว่าเรามีศรัทธาเชื่อเธอเป็นศรัทธาเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าเอามาตั้งไว้เฉยๆถ้าลมพัดมาก็เป๋ไปแล้วแต่ถ้าความเข้าใจเป็นเหมือนกับรากเพราะปัญญานี่คือรากจริงๆความคิดเนี่ยรากคืออะไรคือปัญญานะกุศลธรรมเนี่ยนะความคิดที่เป็นกุศล มีอะโลพะเป็นมูลรากมีอะโทสะเป็นมูลรากแล้วก็มีอะโมหะคือมีปัญญาเป็นมูลรากรากของความคิดที่มั่นคงและแน่นอนพอที่จะพอเชื่อถือได้ก็คือปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่รอบรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายทําให้เราเนี่ยมั่นคงในพระพุทธเจ้าขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเมื่อวานไปไหว้พระที่พิศนุโลกใช่ไหมก่อนเดินทางมาเนี่ยกำลังนึกถึงว่า คนที่ไหว้พระเนี่ยนะไหว้สักครั้งหนึ่งของชีวิตกับไหว้เพื่อให้ใจได้นื้อถึงพระพุทธเจ้าตลอดไปตลอดชีวิตเนี่ยนะตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดไปอันไหนมากกาว่ากันจังว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ไม่ได้กราบพระพุทธ ร, รูปที่องค์ได้สวยสักครั้งหนึ่งที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์กับบอกขอการไหว้อันนี้ขอให้มี ความรู้มีความเข้าใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ตลอดไปให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าตลอดไปไหนมากกว่ากันไหว้เพื่อให้ตัวเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปหรือไหว้เพื่อให้โชคดีโดยมากก็ไหว้ขอให้โชคดีขอให้เออยขอขอข อ, ข อ, ขอที่ไหนจะขอเป็นที่สถานที่ขอเท่าอย่างเงี้ยไม่มีคขอจริงจริงและนะ ก็นั่งขอกันไอ้ที่บอกโอ๊ยขโมยขโมยอยู่ครึ่งชั่วโมงบางคนนี่ขอทั้งนั้นเลยเนี่ยนะไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าอะไรหรอกก็นั่งขอโอยครึ่งชั่วโมงไม่ได้ทําเหตุอะไรเลยไปถึงก็ขอขอขออขอขอยกมือไหว้นี่นะประนมสิบนิ้วขึ้นมาแล้วก็ขอขอขออโอยวิญญาณเนาะสงสารจริงๆนี่ต่อไปแล้วที่สมมติว่าตั้งความปรารถนาเนี่ยนะไอ้คือขอเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่ผิดอะไรหรอกสมัยก่อนเขาทําบุญเขาก็ขอกันทั้งนั้นแหละ อันนะั้นเขาเรียกว่าตั้งความปรารถนาทีนี้ตั้งความปรารถนาให้ตัวเองมีศรัทธายิ่งๆในพระองค์เนี่ยมีเยอะไหมต่อไปแล้วมีสอขอให้มีปัญญารู้เห็นคําสอนของพระองค์เนี่ยนะการตั้งความปรารถนาเหล่านั้นเนี่ยมีบ่อยไหมมีมากไหมแล้วตั้งความปรารถนาให้ตรัสรู้ตามพระองค์เนี่ยมีเยอะไหมถ้าแม้แต่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าที่เราพระพุทธรูปที่เราถือว่าเป็นที่เคารพสักการะ ถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ตรัสรู้ตามเพื่อให้เห็นตามในสิ่งที่พระองค์รู้เห็นและตรัสรู้เราเองไม่มีวี่แววที่จะบัรลุทรรมเลยนถ้าไม่ตั้งความปรารถนาตั้งเจตนาเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะไม่มีวี่แววที่จะบัรลุทรรมเลย